ส่วนมากพวกเราก็รู้สึกตัวเป็นนะเรารู้ว่าเผลอเป็นไงเรารู้สึกตัวขึ้นมา ร, ารู้สึกตัวขึ้นมาได้แล้วแวกยกทาตุแยกขันตอนนี้คนที่แยกธาตุแยกขันเป็นก็เยอะมีเยอะละเมื่อก่อนอย่าว่าแต่แยกธาตุแยกขันนะแค่รู้สึกตัวเป็นหายากมากเลย ก่อนหลวงพ่อตะเวนไปตามวัดครูบาอาจารย์เบางทีในวัดมีคนรู้สึกได้คนสองคนเองหายากมากที่ไม่มีมีแต่ตัวอาจารย์ในตอนนี้คนรู้สึกตัวได้เยอะมีเยอะเหลวลงพ่อสอนตรงไปตรงมาครูบาอาจารย์แต่ก่อนสอนท่านจะสอน สอนด้วยการทำให้ดูต้องใกล้ชิด ต, ต้องอยู่ด้วยนานๆอไเงีนน้ยไม่ค่อยบอกเป็นคำพูดเอาต้องสังเกตเอาบางทีปีหนึ่งสอนคำสองคำคนไหนมีความอดทนภากเพียนไปก็ได้เข้าใจขึ้นมาคนส่วนมากไม่มีกำลังพอที่จะช่วยตัวเองเขึ้นมา อย่างหลวพ่อภนา ม, มาแต่เด็กมันได้ตัวรู้มาแต่เด็กแนละ้วรู้ตัวเป็นแต่ว่าไม่รู้ว่ามันสําคัญยังไงไม่รู้ว่าจะใช้ประโยชน์อะไรกับมันก็รู้ตัวไปเฉยๆเท่านั้นเองแล้วทำความสงบสงบไปเดี๋ยวมันก็ฟุ้งอีกฟุง้งแล้วก็ไปทาความสงบใหม่ก็สลับไปสลับมาอยู่แค่นั้ น, ใ, นใจมันก็เด่นดวงขึ้นมาเราไปต่อไม่เป็น มาเจอหลวงปู่ดุลหลวงปู่ดุลท่านสอนให้ดูจิตพอหัดพยายามหัดดูจิตนั่งรถไฟมาจากโคราชพยายามจะมาดูจิตหลวงปู่ให้ดูจิตไม่รู้ว่าจิตอยู่ที่ไหนจิตเป็นยังไงก็ไม่รู้จักจิตอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จักจะดูยังไงจะเอาอะไรไปดูไม่รู้สักอย่างเลยเนี่ยครูบาอาจารย์แต่ก่อนไม่บอกนะแค่อบอกให้ไปดูจิตเา หลังๆเนี้ยได้ยินพวกพระอุปถากบอกว่าบางทีท่านสอนอย่างนี้นะว่าให้พุโทโธพุโทโธไปพุโทโธจนจิตมันรวมแล้วก็ดูจิตต่อไปเลยอย่างนี้ก็มีตอนท่านสอนหลวงพ่อเนี้ยสอนตรงๆกับหลวงพ่อเนี้ยท่านไม่ได้พูดเยอะไปถามพระอุปถากเพิ่มว่หลวงปู่ท่านบอกให้พุโทโธพุโทโธไปแล้วก็ดูจิตนึง ดูอยู่แค่นั้นมันเป็นยังไงไม่รู้จิตเป็นยังไงไม่รู้นั่งรถไฟมาก็พยายามจะดูจิตคิดว่าจิตต้องอยู่ในร่างกายเนี้จิตต้องไม่อยู่เกินร่างกายออกไปไม่ไปอยู่ตามภูเขาตามต้นไม้ตามท้องนาไม่อยู่หรอก <c oughs> นี่พอคิดว่าจิตมันต้องอยู่ในกายตั้งใจไปต่อไปนี้จะเรียนรู้อยู่ไม่ให้เกินกายออกไปเรียนรู้วนเวียนอยู่ไม่เกินกายออกไปไม่ออกนอกอ น, นี้เป็นหลัก ของการปฏิบัติอันหนึ่งนะจิตมันเดินเข้าร่องที่ถูกถ้าเราอยากเรียนรู้จิตตนเองเรียนรู้ธรรมะเราไปเรียนเกินกายออกไปไเรียนออกนอกไปไม่มีประโยชน์อะไรมาเข้าใจทีหลังนะว่ามันจำเป็นต้องย้อนเข้ามาโอปัญายิโก น, น, น้อมเข้ามาหาตัวเองมาเรียนรู้อยู่ที่กายที่ใจนี่เพื่ออะไรเพื่อได้เห็นความจริงของรูปนามนี้เองไม่ต้องไปเรียน้งนอก ตอนนั้นไม่ไม่รู้หลักอะไรหรอกก็คิดพิจารณาเอานะว่าจิตมันต้องอยู่ในกายนะเพราะฉะนั้นเราจะหาอยู่ในกายนี่แหละแต่ก่อนที่จะมาคิดได้ว่าจิตมันอยู่ในกายเนี้ยตอนนั่งรถไฟมานะตกใจขึ้นมาเกิดตกใจนึกขึ้นได้ว่าหลวงปู่บอกให้ดูจิตเราจะดูยังไงไม่รู้จักสักอย่างตกใจแล้วทำอะไรไม่ถูกนะหายใจเข้าพูดหายใจออกถูกเลยทาสมถะ นี่ก็เป็นหลักของการปฏิบัติอีกข้อหนึ่งนะถ้าดูอะไรไม่ได้เลยนะทําสมถะไว้ก่อนให้จิตมันสงบจิตมันสบายไว้ก่อนพอจิตมันสงบสบายนะ้ะสติปัญญามันเกิดก็เลยมาพิจารณาได้ว่าให้ดูจิตดูจิตจิตต้องอยู่ในกายเหือนถ้าพวกเราวันไหนภาวนาไม่รู้เรื่องเลยมั่วไปหมดนะทําอะไรไม่ถูกทําสมถะ พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปก็ได้สวดมนต์ไปเรื่อยก็ได้คิดถึงพระพุทธเจ้าไปนะหรือรู้ลมหายใจก็ได้คิดถึงความตายก็ได้จเจริญเมตตาก็ได้นะคิดถึงลมหายใจก็ได้นะทำได้หลายอยา่างแยะไปหมดคิดถึงทานที่ได้ทำแล้วคิดถึงศีลที่ได้รักษาไว้ดีแล้วนะคิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆนะ์อย่างเนี้ยใจจะสงบพอใจสงบแล้วมันจะอาศัย ความสงบนั้นนะมาคิดพิจารณาตัวนี้ยังไม่ขึ้นวิปัสสนานะเป็นการใช้เหตุใช้ผลน่าใจฟุ้งซ่านใช้เหตุผลไม่ได้หลวงพ่อ พ, อ, พอฟุ้งซ่านขึ้มานะใช้พุโทโธพุโทโธหายใจไปนี่แหละพอใจมันสงบเข้ามาแล้วก็มาพิจารณาว่าท่านให้ดูจิตจิตต้องอยู่ในกายเนั้นต่อไปนี้ไม่เกินกายออกไปนี่ก็เป็นกฎของการปฏิบัติอีกข้อนึงข้อแรกเลยก็คือ ทำอะไรไม่ได้ทำความสงบไม้ก่อนข้อ2เราจะไม่รู้อะไรเกินกายออกไปรู้อยู่ในกายรู้อยู่ในใจตัวเองนะเป็นหลักเสร็จแล้วหลกพ่อก็พยายามมาแยกจิตมันอยู่ที่ไหนจิตมันอยู่ในร่างกายนี่แหละแต่มันอยู่ตรงไหนนะดูเข้าไปที่ผมนะดูไปจนผมมันสลายตัวไม่เห็นจิตเลยดูไปตั้งแต่ผมนะถึงหนังศีรษะดูไล่ๆล่ ล, ล่หายไปหาจิตไม่เจอนะ จิตอยู่ในกายแต่จิตไม่ใช่กายไม่ค่อยๆเข้าใจขึ้นมาจิตไม่ได้ตั้งอยู่ตรงจุดนั้นจุดนี้ในร่างกายนะจิตเป็นความรู้สึกแต่ตอนนั้นยังไม่รู้ตรงนี้คิดว่าจิตมันอยู่ที่ไหนเที่ยวหามันอยู่ไล่ทั้งแต่หัวถึงเท้าเท้าถึงหัวไล่ขึ้นไล่ลงเข้าใจขึ้นมาจิตไม่ใช่ร่างกายหรอกไปหาในมิติของร่างกายนะหาไม่เจอมันแล้ spinning. คิดต่อไปอีกหรือจิตเป็นความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกุสิไม่รู้เรื่องเลยนะ อิโนเซนมากในทางปริยัติไม่รู้เรื่องออกคิดว่าความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์เป็นจิตที่จริงเป็นตัวเวทะนาไม่ใช่จิตหรอกทํำยังไงดีถ้าทาสมาธิเมื่จิตมีความสุขถ้าจิตมีความสุขนะดูไปที่ตัวความสุขความสุขหายไปไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมาให้เห็นเลยเราละถอยเอาจากสมาธิมันนั่งแล้วไม่กระดุ ก, กระดิกนั่งนิ่งๆหนึ่งให้มันปวดมากๆ ดูไปที่ความเจ็บความปวดนะจนความเจ็บความปวดมันหายไปถึงจุดหนึ่งมันก็หายนะนั่งนานๆไปที่ว่าปวดๆหายไปแล้วก็ไม่เห็นจิตโผล่ขึ้นมาเลยความเจ็บความปวดหรือความสุขความทุกข์อะไรนี่ไม่ใช่จิตหรอกหรือว่าจิตเป็นความคิดที่อย่างนี้ต่อแล้วคลำไปเรยจิตมันเป็นยังไงแน่หรือว่าจิตคือความคิดและจงใจคิด คิดบทสวดมนต์พุโทโธสูตสุตโธกรุณามหันนโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังพวงมห ah นะันนบพอคิดพุโทโธสูสุตโธกรุณามห ah oh, นะันนโวนั่นมันเห็นกระแสของความคิดนะั้นมันเลือ้อยออกมาจากความว่างๆเลื้อยมาจากความว่างบุดขึ้นมานะแล้วก็สลายไปในความว่างตรงที่เห็นความคิดมันเกิดความคิดมันบุดคิดอะไรคิดพุโทโธสูสุตโโธนั่น เห็นความคิดมันเกิดนะเราไปรู้ทันนะมันดับลงตรงที่มันดับลงนะจิตหลุดออกจากโลกของความคิดในขณะนั้นให้จิตถ้ตั้งมันขึ้นมาโอ้อยู่นี่เองนะเจอจิตแล้วจิตก็คือตัวรู้นี่เองโอ้แทบเคหัวตัวเองเลยไอ้ที่นั่งสมาธิมาแต่เด็กก็ไอ้ตัวนี้แหลนะสุดท้ายก็เพิ่มเพิ่มกาเข้าใจว่าโอ้ไอ้ตัวรู้มันอยู่นี่เองแล้วตัวจิตมันก็คือไอ้ตัวที่เป็นคนรู้อารมณ์นี่เอง จิตนะมีนิยามว่าอะไรจิตมันก็คือธรรมชาติที่รู้อารมณ์เนพะฉะนั้นพอเรารู้ทันจิตที่คิดนะจิตรู้มันก็เกิดพอจิตรู้เกิดนะโอ้ของเก่านี่ว่าคยทำสมาธิมาเด็กดก็ไอ้ตัวนี้แหละแต่ว่าไม่รู้วิธีไปต่อคราวนี้รู้แล้วหลวงปู่บอกให้ดูจิตนะก็เลยรักษาตัวรู้นะคอยจ้องไว้เลยไม่ให้มันหายไปไหนรักษามันทีแรกมันได้รู้ขึ้นมาแว บ, บหนึ่งนะมันก็ไหล ไหลเข้าไปรวมกับอารมณ์เป็นก้อนที่หน้าอกเนี่ยหาทางทําลายไอ้ก้อนนี้นะจนกระทั่งมันหลุดขึ้นมาอีกมันหลุดขึ้นมาได้ไประเดี๋ยวเดียวก็ลงไปรวมอีกก็หาทางทําลายต่างๆแล้วนะก็ขึ้นมาอีกขึ้นมานานขึ้นนานขึ้นนานขึ้นจนกระทั่ทงมันเด่นดวงอยู่ที่จริงให้มันเด่นอย่างนี้นะไม่ยากหรอกเข้าฌานออกแข็งฌานมาไอ้ตัวเนี้ยเด่นอยู่ตั้งอาทิตย์หนึ่งเลยนะท่า น, น, นลืมตกสิ่งทุกอย่างหมดนะตะลุมบอลกับมัน พยายามแยกไอ้นี่ไม่ใช่จิตไอ้นี่ไม่ใช่จิตไอ้ก้อนความทุกข์เนี่ยไม่ใช่จิตก้อนปรุงแต่งเนี่ยจิตมันก็นเด่นรักษาไว้ได้ละใช้เวลาสามเดือนเนี่ยแล้วก็ดูมันทุกวันเลยดูมันทั้งวันเลยมันลอยเด่นอยู่จ้องไม่ให้คลาดสายตานี่ดูจิตแล้วดูจิตแล้ว <c oughs> ไปกลับหลวงปู่ส่งกันบ้านใช้เวลาสามเดือนแล้วเนี่ยหลวงปู่ครับผมดูจิตเป็นล้วจิตเป็นยังไง จิตมันวิจิตพิสดามันทํางานได้สารพัดเลยแต่ผมรู้ทันนะครับกลับมาเป็นตัวรู้เด่นเนียผมผมดูรักษ า, าไว้ได้แล้วตอนนี้หลวงปู่บอกว่านั้นยังไม่ได้ดูจิตอันนั้นแทรกแซงอาการของจิตจิตมีธรรมชาติคิดนึกปรุงแต่งนั่นเราไปทําจนกระทัมันผิดธรรมชาติไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งรู้ตัวอยู่เฉยๆนั่นไม่ใช่การดูจิตนะนั่นเป็นการไปแทรกแซงจิตแล้วไปดูใหม่ คำครูบาอาจารย์แต่ก่อนะไม่มีรายละเอียดนะอธิบายอะไรไม่มีหรอกมีแต่ว่าไม่ถูกไปทําอีกอะไรเงี้ยจะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะถ้าถูกก็จะบอกถูกแล้วไปทําอีกจะต่อท้ายด้วยคําว่าไปทําอีกถูกทีอนะไม่มีเลยว่าถูกแล้วไปพักผ่อนเถอะไปไม่มีเลยนะนั่งรถไฟไปสุรินทร์นั่งรถตัวไปสุรินทร์ไปทั้งคืนเนะช้าเข้าไปหาท่าน แทนที่ท่านจะบอกว่าวันนี้เหนื่อยมาแล้วไปนอนพักผ่อนไม่มีหรอกี่บอกให้ไปภาวนานะโอ้หลวงปู่บอกว่าดูจิตเธอไปรักษาจิตไว้นี่มันผิดเนการแทรกแสงจิตนะคราวนี้ไม่แทรกแสงแล้วจะปล่อยให้มันทํางานนะก็เริ่มเห็นนะ้จิตนี้เดี๋ยวก็สุขจิตนี้เดี๋ยวก็ทุกข์จิตนี้เดี๋ยวก็ดีจิตนี้เดี๋ยวก็ร้ายนะเห็นความรู้สึกทั้งหลายผุดขึ้นมานะพอสติไปรู้ว่าความรู้สึกก็เฟด ต, ตัวไปดับสลายไปนะ ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไปดับไปในขณะนั้นไม่รู้จักคําว่าวิปัสนาด้วยซ้ําไปนะเนี่ยภาวนามาแบบมวยวัดแท้ๆเลยเรียนมาจากวัดธรรมดานึงไม่รู้ปริยัตอ่านแต่พระไตรปิฎกนะแต่ไม่รู้ปริยัติไม่รู้หลักของการสมถวิปัสนาอะไรย่างเี้เป็นไงไม่รู้เรื่องเลยดูไปอย่างอินโดเซนเนี่ยใช้เวลาอีกสเดือนใช้เวลาสี่เดือนพอสี่เดือนแล้ววันหนึ่ง ฝนมันตกใหญ่ตอนนั้นทํางานอยู่ในทำเนียบรัฐบาลนะตอนเย็นเนี่ยฝนตกฝนแบบพายุแรงมากเลยฟ้าก็เปรี้ยงเปรี้ยงเนี่ยแล้วก็กางล่มออกมาจากทำเนียบพายุมันพัดนะั้น่มหักขึ้นข้างบนไปเลยแล้วก็เปียกไปทั้งตัวแล้วก็เก็บล่มเลยไนหะ น, นก็เปียกแล้วก็ช่างมันเถอะแล้วเข้าไปหลบฝนอยู่ที่วัดสมณนัตมิหารมีน้องชายไปบวชอยู่นะเป็นอยู่ที่กุฏิเขา ไปถึงเขาก็จะไปอาบน้ําไปส่งน้ำํำพอดีนะเราก็เปียกโชกเลยนะไปนั่งอยู่ในกุฏิเขานะนั่งกอดเขานะไม่มีมารตรองนักปฏิบัติอะไรหรอกตัวมันเปียกโชกเลยไม่กล้านั่งขัดสมานั่งอะไรนะพื้นที่มันจะเปียกมากไปนั่งไว้แคบๆอยู่ได้มาเช็ดที่เดียวเล็กๆหน่อยนะนั่งอยู่แล้วใจมันกังวลบอกว่าเอเปียกฝนอย่างนี้เดี๋ยวคงเป็นบาดเนี่ยพอคิดว่าเปียกฝนเดี๋ยวเป็นบัดนะ ใจมันก็รู้ทันขึ้นมาเยงอนนี้มันกังวลนะร่างกายยังไม่ทันป่วยเลยจิตป่วยไปแล้วจิตกังวลไปสัก่อนแล้วไปดูที่กังวล น, นะสติะระลึกโดยไม่เจตนาะระลึกนะความมัววนดับนะไอ้จิตมันรวมร่างกายหายไปเลยนะมันเป็นเองนะร่างกายหายไปหมดนะพายุเพยเยอะโลกเลิกนี่หายหมดเลยเหลือแต่ตัวร่วนเดียวนะเห็นแต่ตัวร่วนเดียว แล้วจิตมันก็เปลี่ยนแปลงของมันแปพัฒนาของมันไปพอถอยออกมาแล้วก็เข้าใจแล้วว่าจิตเนี่ยไม่ใช่ตัวเราะพวกเราเห็นบ้างไหมจิตไม่ใช่เรามันเห็นอยู่นะภาวนาไปก็ยังเห็นบ้างจิตมันไม่ใช่เราเะื่ไปส่งกันบ้านหลวงปู่ครั้งที่สามไปหาท่านท่านบอกว่าเข้าใจแล้วละ่ะช่วยตัวเองได้แล้วละ่ะต่อไปก็ภาวนาเอา ไม่จําเป็นต้องมาพึ่งพาท่านหรอกไม่ต้องมาหาท่านก็ได้แต่เราก็ไปหาเรื่องอะไรงู้ไม่ไปหานะ่ะไปหาถ้าไม่ไปหาเนี่ต้องเสียใจมากเลยเพราะว่าครั้งสุดท้ายที่ไปหาท่านนะท่านสอนคือท่านพยายามประครบประงับเรานะให้เราพาวนาไปนี้อายุท่านจะสินนะ้นแล้วท่านช่วยเราแบบประคองให้เดินทีละก้าวเนี่ยไม่ได้ละท่านก็เลยสอน บอกว่าจําไว้นะพบผู้รู้ให้ทํำลายผู้รู้พบจิตให้ทํำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงครับผมจะจําไว้เข้าใจไหมไม่เข้าใจครับแต่ผมจะจําไว้ท่านถามว่าเข้าใจไห ม, มไม่เข้าใจหรอกครับแต่จะจําไว้เออจําไว้นะอย่าลืมไปสะละหลาท่านกลับไปหลังจากนั้นอีกสามสิบหกวันท่านวรณภาพไปมันลุกขึ้นนะ ไปกลับกรุงเทพแต่แวะโคราชไปหาหลวงพ่อพุทธหลวงพ่อพุทธท่านก็บอกว่าเนี่ยหลวงปู่ดุลก็สอนท่านเหมือนกันเมื่ออาทิตย์ก่อนเข้าไปก่อนหลวงพ่ออาทิตย์หนึ่งไปหาหลวงปู่ดุลย์บกหลวงพ่อพุธก็เล่าในหลวงพ่อเข้าไปหลวงปู่ก็สอนบอกเจ้าคุณการปฏิบัติจะยากอะไรพบผู้รู้ให้ทำลายผูร้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริง แล้หลวงพ่อพูดท่านขยายความให้ฟังนะว่าคําว่าพบผู้รู้ทําลายผู้รู้พบจิตให้ทําลายจิตไม่ใช่ไปทําลายมันนะแต่หมายถึงไม่ยึดมั่นมันอย่าไปคิดว่าจะไปทําลายให้มันตายให้มันแตกสลายไปนะมันคือการไม่ยึดจิตนั่นเองก็ถ้าเรายึดจิตเราจะยึดทุกสิ่งทุกอย่างได้นะยึดจิตอันเดียวเนี่ยจะยึดโลกไปทั้งหมดได้เลยปล่อยจิตดวงเดียวนะจะปล่อยโลกทั้งโลกเลยจิตเนี่ยเป็นตัวสําคัญเลย อย่างพวกเราหัดพาวนาแรกๆนะมันจะมีปัญญาเกิดขึ้นเห็นว่าจิตไม่ใช่เราเมื่อไรจิตไม่ใช่เราทุกสิ่งในโลกนี้จะไม่ใช่เราอีกแล้วแล้วถ้าพาวนาไปเรื่อยๆนะถึงจุดที่ไม่ยึดถือจิตนะก็จะไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกอีกแล้วจิตนี่แหละคือตัวแทนของโลกที่แท้จริงเลยนะแล้วก็หลวงปู่เทศนะ์สอนสิ้นโลกเหลือธรรมสิ้นโลกเหลือธรรมคือวางขันทั้งหมดนะรวมทั้งจิตด้วยปล่อยวางจิตได้ด้วย ก็จะเข้าถึงธรรมะเหลือธรรมอยู่ไม่ใช่ศูนย์ไปเลยนะไม่ใช่ว่าบรรลุพระอรหันต์แล้วทุกอย่างศูนย์ไปหมดศูนย์ไปหมดเป็นมิจฉาทิฏฐิชื่ อ, อเฉททิฏฐิหรือบรรลุพระอรหันต์แล้วยังมีธาตุมีขันอยู่อีกกนะ็เป็นมิจฉาทิฏฐิชื่อสัจสตทิฏฐนะิมันมีอะไรเหลือเหลือธรรมอยู่ธรรมไม่ตายนะแต่ขันนั้นมันตาย เรื่เรามีหน้าที่ภาวนานะค่อยๆพานาของเราไปเบื้องต้นถือศี่ห้าไว้อันที่สองฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวอันที่สเมื่อจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วดูท่าดูขันมันทํางานแยกท่าแยกขันไปแล้วแต่ละา่าแต่ละขันมันจะสอนใจรักเราดูอย่างั้นไปเนรักษาศีลนะฝึกจิตให้อยู่กับเนื้อกับตัวจิต ท, ที่อยู่กับเนื้อกับตัวคือจิต ท, ที่มีสมาธิที่ถูกต้อง เรียลัขณูปนิชานสมาธิที่ใช้เดินปัญญาจิตอยู่กันเนื้อกับตัวแล้วอย่าอยู่ตัวอยู่กับตัวเฉยๆนะดูท่าดูขันมันทํางานไปเรื่อยแยกไปเรืกายทํางานไปใจเป็นคนดูนะความสุขความทุกข์เกิดขึ้นใจเป็นคนดูความจําได้หมายรู้เกิดขึ้นใจเป็นคนดูนะความปรุงดีปลุงชั่ว โ, โลภโกรธหลงเกิดขึ้นใจเป็นคนดู จิตออกไปรับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจใ จ, ใจเป็นคนดูอีกนะจิตวิ่งพล่า น, พ ล, านพล่านไปนะก็แค่รู้เอานะคําว่าจิตคําว่าใจคําว่าวิญญาณนะอันเดียวกันนะแต่ทํางานต่างๆกันตนะรงที่เรียกว่าวิญญาณนะออกไปอย่างรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะถ้ารู้อารมณ์ถ้าเป็นตัวที่ไปรู้อารมณ์ทางใจที่เรียกทำอารมณ์นะ ตัวที่ไปรู้ธรมรมอารมณ์มีชื่อเฉพาะว่าใจก็คือเป็นวิญญาณเหมือนกันนะเป็นจิตเหมือนกันนะั่นแถ้าเป็นพูดถึงตัวจิตเนะี่ยมักจะพูดถึงตอนที่มันเข้าไปทํางานอื่นๆนอกจากการรับรู้ตอนที่เป็นการรับรู้มักจะเรียกว่าวิญญาณวิญญาณเป็นตัวไปรับรู้แต่พอจิตมันทํางานมากกว่าการรับรู้ก็ไปเรียกว่าจิตนะเช่นพอมันตาไปเห็นรูปในขณะที่ตาเห็นรูปเป็นวิญญาณทางตา มันจะส่งสัญญาณมาที่จิตตัวไหนเป็นตัวส่งสัญญาณจิตอีกดวงหนึ่งเป็นตัวส่งสัญญาณวิญญาณทางตาดับไปแล้วจิตอีกดวงหนึ่งส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจจิตอีกดวงหนึ่งนะรับสัญญาณนจิตที่ส่งสัญญาณก็ดับไปจิตที่รับสัญญาณนก็เข้ามาแปลว่าสัญญาณอันนี้คืออะไรสิ่งที่เห็นนี่คืออะไรแล้วก็มีจิตอีกดวงหนึ่งมาให้ค่าว่านี่ย อ้นี้ยดีนี่ไม่ดีนะนี่ถูกนี่ผิดอะไรต่ อ, อไรแล้วมีจิตอีกกลุ่มหนึ่งประมาณเจ็ดดวงมาสืบต่อมาเสเวยอารมณ์เกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วขึ้นมาแล้วก็มีจิตอีกสองดวงเป็นตัวเซฟข้อมูลนะแล้วพอจิตก็ตกผวังเซฟข้อมูลไว้ไปเก็บวิบากเอาไว้ทั้งดีและชั่วเนี่ยตรงที่มันทํางานสารพัดนี่เราเรียกว่าจิต ตรงที่มันออกไปรับรู้ไปรับเฉยๆไปรับรู้เฉยๆทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าวิญญาณตรงที่มันไปรู้ความรู้สึกทางใจเรียกว่าใจเรียกว่าธรรมารมณจะไปรู้ธรรมารมณ์เรียกว่ามโนโนั้นจิตมโนวิญญาณก็คือจิตด้วยกันนั่นแหละแต่ทํางานคนละที่กันบางทีพวกเราฟังแล้วงงๆให้เราพยายามนะค่อยๆฝึก ให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วดูธาตุดูขันมันทํางานได้่ไปร่างกายเดินร่างกายหายใจออกหายใจเข้าจีนอาหารขับถ่ายใจเป็นคนดูนี่ดูเสียงกระทบหูนะแล้วใจมันจะไหวลองสังเกตดูจิตมันไหวรู้สึกมันสะเทือนเข้ามาข้างในไหม ใครรู้สึกได้บ้างย้งมาสนะิเห็นไหมการเห็นจิตเห็นใจมันไม่ยากอะไรเลยจิตมันไหวก็รู้ไปสินะไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะการเห็นจิตไหวคราวหนึ่งท่านไว้หลังมาที่ควางโจพนะระที่วางโจกำลังเถียงกันอยู่ว่าลมมันพัดทงเนี่ยถามว่าลมมันไหวหรือทงมันไหวท่านไว้หลังเฉลยว่าจิตมันไหวไหวอย่างที่พวกเราเห็นนี่แหละ ตามมองเห็นรูปจิตก็ไหวนะหูได้ยินเสียงจิตก็ไหวนะจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสจิตก็ไหวนะจิตไหวที่ไรเป็นทุกๆุกทีเลยนี่ถ้าเห็นแล้วจะเห็นเลยจิตนี้ไม่เที่ยงไหมไหวหยุดไหวหยุดไหวหยุดนะจิตนี้เป็นอนัตตากระทบอารมณ์แล้วมันไหวของมันเองไม่ได้เจตนาให้ไหวเลยไหมสั่งไม่ให้ไหวมันก็ไหวใไหมสั่งมันไม่ได้เห็นแค่นี้ยังพอพอนาได้เลย ภานะว น, นาทําที่สุดของทูกอย่างได้เลยถ้า <c oughs> เรียนรู้เข้าไปจนเห็นจริงเลยจิตไม่ใช่เรารทํางานได้เองเมื่อกี้มันก็ไหวของมันเองเนี่ย <c oughs> ดูจากของจริงอย่างเนี้แล้วมันจะเห็นแต่ไม่ใช่คิดเรานะต้องเห็นของจริงมีของจริงรองรับอย่างเห็นมันไหวขึ้นมานะมันไหวของมันได้เองมันไม่ใช่เราหรอกนะแต่เห็นซ้ําไปเรื่อยๆนะตาหูจมูกลิ้นก้ใจกระทบอารมณ์จิตก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไอ้นี่ยังไหวเล็กๆนะ ถ้าไหวแรงขึ้นมาจะกลายเป็นราคะบ้างโทสะบ้างโมงหะบ้างกลายเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างขึ้นม า, า, น ม, ามันผุดขึ้นมาอย่างนี้จากอ้ที่ไหวๆนี่ก็ผุดทั้งดีทั้งชั่วมัผุดขึ้นมาได้อย่างได้ยินเสียง ร, งระฆังมาจิตไหวนะบางคนก็เกิดปีติได้ยินเสียงระฆังคิดถึงพระอะไรนเกิดปีติบางคนเห็นได้ยินเสียงระฆังนะไหวๆ ข, ขึ้นมาลาคาญ บางคนได้ยินเสียงระฆังนะั้นจิตมันก็ไหวขึ้นมามนะก็ผุดขึ้นมาวุ้ยอยากกินข้าวได้เวลากินข้าวแล้วน้ําลายไหลเหมือนตัวอะไรตอนที่เรียนจิตวิยาจำได้ไหมตัวอะไรนะสุนัขตัวเล็บงามเ <c oughs> <c oughs> นี่ยมันไหวขึ้นมานะมันจะปรุงไปทางดีก็ได้ปรุงไปทางชั่วก็ได้เราเลือกไม่ได้ะเนี่ยรู้เท่าทันไปยังวิธีปฏิบัตินะถ้าเราจะเป็นนักดูจิตดูใจเนี่ยไม่ใช่ไปจ้องจิตให้นิ่งๆนะ รู้สึกตัวไปสบายๆนี่แหละให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปสบายๆนี่แหละกระทบไปแล้วจิตมันกระเถือนมันไหวมันกระเถือนแล้วมันปรุงสุกปรุงทุกปรุงดีปรุงชั่วนะให้มีสติรู้ไปอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปแทรกแซงมันก็จะเห็นเลยสกลกุกเกิดแล้วก็ดับทุกข์เกิดแล้วก็ดับโลภโกรธลงเกิดแล้วก็ดับดีเกิดแล้วก็ดับนะแต่ถ้าจิตมันสติมันไหวน้ำจะเห็นแค่ไหว ยังไม่ปรุงเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นดีเป็นชั่วไม่แปลออกมามันก็จะเห็นไอ้ที่ไหวมันก็เกิดดับเหมือนกันนะจะดูอย่างหยาบก็ได้จะดูอย่างละเอียดก็ได้นะั้นค่อยๆฝึกไปไม่ใช่เรื่องยากหรอกนะถ้าถ้าเมื่อไร่เห็นว่าจิตไม่ใช่เรานะสามโลกนี้จะไม่เป็นเราอีกแล้วพรนะโสดาบันโสดาบันจะเห็นว่าขันมีอยู่นะแต่ไม่มีเจ้าของร่างกายนียมีแต่ไม่มีเจ้าขอ ง, ง, ม, ม, ม, ของมันไม่มีเรา ขันมันทํางานนะแต่ไม่มีผู้กระทําขันนั่งห่ามันทํางานใครหายใจร่างกายหายใจใครยืนเดินนั่งนอนร่างกายยืนเดินนั่งนอนใครแก่ใครเจ็บใครตายร่างกายมันแก่มันเจ็บมันตายใครมันรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ใจมันรู้สึกไม่ใช่เรารู้สึกใครมันโลบโกรธหลงใจมันโลบโกรธหลงไม่ใช่เรารู้สึกไม่ใช่เราโลบโกรธหลงเนี่ยมันจะถอนความเห็นเป็นเราออกนะ ถ้าเป็นโสดาล้วมจะไม่รู้สึกเป็นเราอีกเลยจะเห็นว่าขันมันมีอยู่แต่ไม่มีเจ้าของขันมันทํางานไม่ใช่เราทํางานจะเห็นอย่างนั้นนะไม่เจตนาจะเห็นก็เห็นอย่างนั้นนะแล้วภาวนาต่อไปอีกถึงจุดสุดท้ายของการปฏิบัติมีเห็นแต่ทุกข์นะมีเห็นแต่ทุกข์แต่โทษขันทั้งหลายนะที่ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เราแล้วมันเป็นอะไรมันเป็นทุกข์นะตัวขันสุดท้ายที่จะเห็นได้ว่าเป็นทุกข์นั่นคือตัวจิตนะไปกินข้าวก่อน